มากจะมีความประจกรุกอะไรถึงาันไม่ความสงบมากมีความสงบมแต่ไม่รู้จักว่าเรามันนู้นะเมื่ออะไรมาเป็นเหตุทิ้งจิตไม่สงบแน่หนีหนีไปที่ไหนถึงนี้อยากควางสงบเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้น นม่อยากวามจะบอกเรื hmm, like so so Hence, it? It the ่อไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นไม่อยากอะไรคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเนี้ยเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นจริตเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นจริตเข้าใจว่าถอยออกไปไกลมากเลยยิ่งนี้สักคนบอกนี้กับคำพูดเช่นนี้อะไรอย่างเนี้มีความประใจอย่างนั้น อยู่นานมาต่อมานานมาสิ่งธรรมชาติมันบังคับเรามันจะต้องบวชมันานอายุพรรษาต่อมากมันจําเป็นจะต้องมีฤทธิธ์ิมากขึ้นมีคนประชาชนมากขึ้นอืเราบวชอยู่ในป่าปฏิบัติอยู่ในป่าใครประหยะัดแก่เราไปกราบไปไหว้มันจําเป็นอยู่เอง ดูคิดดูหาขอต้องเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นมันต้อต่อสู้มีมากขึ้นนี้ไม่ได้หก็ได้ยินตาก็เห็นอะไรมันได้เกิดความรู้ขึ้นที่ตรงที่ว่าเป็นอาจารย์ก็นี้มากกว่ามันมีปัญญ า, ม, ามีการปล่อยวางาอะไรมากไม่ยึดมัน่นถือมั่นปล่อยไปนี่เนี่ยเดี๋ยวมันฉลาดกเก่า ที่ดีไหวทกมันเกิดขึ้นมาไม่ในแรคือไม่ได้ข้าคมอื้นสมัยกิรภวนามันต้องการความสงบเท่านั้นเราเน้ว่าไอ้เครื่องภายนอกกันนะมันเป็นเหตุที่ให้เราทําความสงบได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละเราไม่คิดถึงว่าเรามีความเหม็นชอบมันทําเป็นเหตุให้สงบเกิดขึ้นทำไมที่เห็นงไงไติดอย่างนี้ไเราจึเคยพูดเรื่องว่า การสงบมันมีสองอย่างแค่นั้นปลาทั้งหลายจะมีมาแบ่งความสงบตรงนี้สงบด้วยปัญญาหนึ่งสงบด้วยธรรมชาติสงบด้วยปัญญาก็คือสงบด้วยธรรมชาติก็คือนี่ว่าโหนไกายยากเสียงตาละกายอยากรูปจมูกกายากกลิ่นอะไรทั้งหลายนี้อ่านไปไม่ได้รูกไม่ได้เห็นไม่ได้ยินกัน ใช่สงบแต่สงบอันนีน้ก็จริงเหมือนกันมันมีประโยชน์ไหมไมีแต่ไม่มายิด ม, มันไ ม, ม่ยิ่มันมีอายุสั้นอืมันมีอายุสั้นมันไม่แน่นอนรากฐานไม่นนไมีพอสงบกินเมื่อหากว่าเราประบจบตาหูจมูกปีกกายประสบอารมณ์ที่ไน่ช็อตแดงไม่สนิท อยากให้อันนั้นีในทีน่ก็ต่อทุกข์กับอันนี้เรื่อยๆไปจนได้มีปัญญาเพราะว่ามันประสบอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันไม่สงบเพราะอันนี้อย่างนี้ต่อทูกข์เรื่อยๆไปแ ม, มนี้มันสั้งใจทำพอรู้เห็นเกิดมาว่าเออใ้ความที่สงกเนี้ยออไม่ใช่มันเป็นเพราะอย่างอี่นก็แล้วแต่คิดแต่เป็นไปถูกต้อง อย่างเราให้ความเห็นรูกศิษทั้งว่าที่่เ่ยบ่อยว่าอย่างนนนั่นรวมตังหมดแราสรางใจให้สงบความสงบเราหวงหะความสงบอย่างดีความสงบนั่นตาไมเห็นรูปหู่ไมีเสียง ที่ไหนไม่วุ่นวายไปตรงนั้นมันจะสงบอยู่ที่ตรงนั้นก็เข้าไปก็สมบจริงๆความสงบมันมไม่มีอะไรที่มีมา่เรารูมันสบงบอย่างนั้นมีกำลังไหมเมื่อเราคอยออกมาแต่แล้วเมื่อเราหัวเราฟังเสียงตาได้ดูรูปมันเปต่างๆเมืนี่ปวดฟ้องคลอยใจไม่พ อ, อยใจไม่วุ่วายเราก็จะมองเห็นไหมความสงบแบบนี้มนะันเป็นความจริง เรื่องทั้งหลายแล้วนี่เรื่องเรื่องของเขามันจิตเขาเขาดุอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเราชอบใจเราด้วยว่าเน่ยมันดีอะไรไม่ชอบใจแลเราด้วกว่านี่นมันไม่ดีมันจิตของธรรมะเปสําคัญมันมายอารมณนอกกันแหล่ท่านั้นเมื่อความเห็นมันรู้จุดอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลเหตุจิตนาเรื่องนั้นมองต่อไปแต่อะไรมันก็ยิงจริงมองกลับไปมันก็ยจริงๆเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้ว เราไม่ต้องไปคิดอะไรว่าไอ้ความรู้สึกอั่นนี้มันมีความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นอันนั้นไม่ใช่ความคิดอันนั้นก็จะเป็นความคิดถ้าพูดดับเป็นดักธรรมะอันนั้นเป็นธรรมวิจัยสอดจ่อําตรงนั้นความสงบตรงนั้นไม่ลำคาญแต่มันมีปัญหาว่าถ้าหากว่ามันสงบทำไมมันมีเรื่อง มันมีเรื่องจะมีความสงบไม่ใช่มันมีเรื่องจะมีสิ่งที่มันมีเรื่องไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในความสงบนะมันดีดูว่าชัดไม่เตือนเห็นชัดในปัญญาส่วนตัวตรงนั้นที่เจตังหิตแา่สบายให้ความจริงนั้นมันก็เป็นมาของมันอย่างนั้นเมื่อเราคิดไปเมื่อพิจารณาไปเป็นความจริงมันแล้วให้ความสงบนั้นมันจะย้อนมาทั่วถึงชาติออกไป เมื่อมาเราเห็นบุมันเป็นอย่างนั้นโหความเสียงว่ามันก็เป mm ็นตัวมันอย่างนั่งอยู่ในที่อย่างนี้ในความสนงบตอนนี้ที่สองนี้เป็นตาเห็นอยู่มันก็สนุกไม่กระทบกระเทือนหูได้ยินอยู่มันคงไม่กระตุกกระเทือนอะไรมันมันก็ไม่กระตุกกระเทือนใ้ความสงบตอนนี้มันเกิดมาจากอะไรจิมนี่เกิดมาจากโม่เกิดมาจากความสงบคือสมถะที่โม่โม่เนี่ยแหละมันเป็นเดียดเป็นมารุอย่างนี้ ต่อเรียกว่ามันปัญญาจะเกิดมันก็เกิดมาจากความสงบจิตใจของเราจะมารูปของอย่างนี้มันก็เกิดมาจากความเจนอู้มันงู้มันจิตมันเป็นมาด้วยคนรวมก็มาแล้่อะไรรวมกันมันทํามีความสงบมันทํามีปัญญาที่มีเวลานั่งหยุดที่ไหนดูที่ไหนไปอนี้ก็เห็นแลว่าเจนอย่างนี้ การเคลื่อนไหวเพรามันมันเป็นอย่างนนเพื่อเห็นมามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทางที่แก้ไขมันไม่มีทางว่าจะนี้ไปนั่นจนี้ไปนี้จะนี้ไปกี่อยนาไม่มีที่ปลายมันตรงนี้เลยปัญญาของเราคือการปฏิบัตู้เรื่องจินเำไมมนอยู่อสมัยนั้นทีจังวัตรพงศ์มีหมปกยุกจิตทั้งหลายที่เก่าแก่ในนั่านงพ่อเนี่ย คุกทีกับมนุษย์มากาเกนี่ยเลยอยู่อย่งไม่ได้นะเพื่อนเพ็นอมนุษย์เสียหมดแน่มไม่ใช่ว่าอไอหวาดไปเย็นหรือเขาเราท่านอยู่วัดเราบอกว ม, มาราบมาไหว้ใ้ความเป็นจริงรเ <c oughs> ราก็ในปฏิเสยในเวลานั้นเรายิ่งมีปัญยามากมันรู้เห็นสายอย่างแต่รู้จิไม่รู้เรื่องว่าเราเรียกว่ามันเสื่อยแต่และมันเสื่อยเันนียคนมากคนปากคนมากอย่างนี้เราจะมีไม่มีปัญหาจะตอบครับ คนนั้นเขาตั้งมือเห็นอีกอย่างหนึ่งใฉ้นั่งมือมารวมที่สูดานานมานานมาเราต่อผู่โทรศัพท์มายู่นานเกระทั่มมงถึงถึงถึงถึงถึ้ถึงถึงถึงถึงนึงถึกถึงถองถึงนึงถึงถึงถึงถึงถึงถึาถึงเห็นึงงถึงถองถึงถึนถึงถึงถึ่ถึงถึงถีงถึนถึงมึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถเงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึึงถึงถึง อันนี้เราก็ม่เคยจะว่าอะไรต้องเคยว่าอย่างเรามาปฏิบัติอยนี้ฉินไปสมบูรณ์อย่างนี้อันนี้มันเป็นความสมมตินั่นจสมาทีก่อนนี่เราเห็นว่าเดินทางนี่คือไม้มันยาวๆอย่างนี้มันมี2อนคนจับทางปลายของคำก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ คือให้ความสุบเกิดขึ้นปัญญาต่อเกิดรู้จักโทษต่างๆขึ้นมาเมืก็คอยสังวรสังวรเมื่เกิดเป็นจิตเกิดมาให้แกเราให้มั่นแกในข้อปีิบัติของเรางานเป็นคนเดินมาทางปลายันก็ถูกเดินมาทางต้นมันก็ถูกเมื่อจิตเราดีแล้วความสงบมันเกิดมีที่เดียวว่ามาธิเมื่อมาธิมันมีแล้วปัญญาต่เกิดปัญญาเกิดมาแล้วเป็นต้นเมื่อก่รวมสมาธิต่อไป ถ้ามาที่เกิดขึ้นมาต้องรวมชินต่อไปไม่เป็นไว้พ้นถึงกันในการรวมต่อไปคนที่ตัวเป็นเดียวกันชินมันก็แยกกันไมได้แต่มาที่ก็แยกกันไม่ได้ปัญญาก็แยกกันไอะไรขั้นแรกมันต้อแยกกันอย่างจิตธรรมดาเรื่องสมมติกับดีมุติมุติที่แม่ยึดมันถือมันน่ยมันไม่ดีไม่ดีแต่ว่ามัน่ยดีถ้าไม่ไปจักสมมติมันก็มันไปจากดีมุมันเป็นไมพ้ แค่นั้นในระยะอันนั้นไอ้คนข้งนอกมันถูกอะไรหลายอย่างอารมณ์วนนุ่นวุ่นมัจะตั้งมันอยู่ในของเราอย่างนี้อยู่ก็เลยปัญญาของเราเราผิดพลาดอย่างนั้นเมื่ออยู่ไม่นี้อะไรกระทบกระเทือนนะใครมาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นมันจะตื่นเต้นน่าประทับบอกมั่นใจของเราไม่มีอยู่แี่นั้นติ็นครูเป็นอาจารย์คนปฏิบว่าเราต้องมั่นใจในการกระทำของเรานี้ไม่ต้องกระทบกระเทือนกระเดือนมันเป็นมาอย่างนั้นะ อันนี้ก็เป็นนี่เป็ครูเป็นอาจารย์คนมี ป, ปัญญ า, รราคนที่มีปัญญาแล้วมันก็ยิ่งมีปัญญาเป็นไปสะสมของเก่าเราเนีอะไรมันสะาดขึ้นืีเพราะฉะนั้นตั้งใจในที่นี้ก็ดีว่ามันมันก็เปิดในบ้านจะิต ม, มนันสบายกายมันสบ า, า, สบ า, ากา็มันจะดูด้วยารจะดูมันไป เป็นเรืของธรรมชาติธรรมดาหมดเลยดถึงเรื่องการเจ็บการป่วยกันเนี่จะมาพอเมื่ออยากทำไงนะมันจะเป็นดีนะตามปรารถนาไม่ได้แต่ว่าเราได้สร้างประโยชน์เราได้สร้างประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ไปในโลกความีเราได้สร้างไว้ประโยชน์นี้ประโยชน์ต้นประโยชน์คนอืน ประโยชนในชาตินี้ประโยชนี้นภนี้ประโยชนีน้นภพห น, น้าอย่างนี้ก่อนมีความสับสงบมีใจในการกระทำของเราแบบนั้นอัน น, นี้เป็นการเตียมมานี้ก่อนดีกว่าเวลามันน้อยก็อพยายามจะช่วยถ้ามีอะไรก็อน แต่ต่อการยังนี้ต่อการันี ต, นนตน่อมายานี้กำมังจะช่วยยวราไม น, นานทุกอย่าง็นความเห็นดิตใอาจารย์ทุกคนช่วยประคองกันไปดีทั้งถึงกว่าพระยังไม่มามันจะมาอยา่าง เ, เ, เห็นมาอย่างเป็นเหตุเห็นเมียน่าถ้าพระมานี่ก็ยังลำบากที่จะรู้อะไรเลยอันนี้เราจะเข้าไป่อน จากคนจากโน้นดูจากนี้จะดีในดูจากพ่อปฏิบัติจะดีในดูจากพระเจ้าพระเจ้ามีกระน้อยกระน้อยเป็นมาศาสนาจะเป็นไปได้ก็เป็นไปอย่างนี้แต่ในทางใจเรานี่ยเดี๋ยวอาจารย์บรจงอย่างเจ้าเนอนีนะติดตามกระจุกคุณต้องไปทำดินน้ำก ต้องเคยบอกเขาว่าจ้างร้อยพระบาทขึ้นมาแล้วก็ไปไหว้กันทำบุญกันเอาเปลี่ยนไปผ้าเอาไก่ไปผ้าเอาหัาไวไปผ้าทำบุญกัน น, าานี่ว่าเขาไว้พบาทนี่ข้อเห็นก็เป็นอย่างนั้นข้มเห็นของปู่ยังไม่ใช่เห็นแต่รอยของท่านตอนน้องอิจาท่านนะครับอาไก่ไปผ้าเอาหัวไปผ้าเอาวัวไปผ่าทำบาปกันเขาจะก็เราทำบุญ ว่านี่มันดีนะกว่าเคถ้าก่อพระองค์ยังอยู่กว่าจะเป็นข้าท่านจะแล้วเห็นแต่รอยของท่านตามข้าท่านเมื่อทันไปยังออกไปเป็นข้าแทนท่านสมุทรข้าไปทำบาปไปตรงนั้นมันเข้าใจผิดนี่เขาเรียกว่าเขาทําบุญแต่มันอยู่ไกลไปมากนี่มันไป็นทำบาปแล้วเขาจะโกงกันข้ามเลยแก่คนที่ไม่มีปัญญาไม่พิจารณาตีต่อมันต้องเป็นอย่างนั้น ใะนั่นเมืองไทยเรากำลังเปลี่ยนอย่างนึ่นงเห็นไัมเมือไทยมันกำลังเปลี่ยน ม, ม, ง ม, งมีงิรัตพ่เที่ว่าฉั น, นจะพรวณความเพียรใช่ไหคือระความพอใจถูกไหเราเพียนถูกไห ม, อ, ม อ, อย่านี้เป็นวริยาเอาไว้เลยสันาย สัญญาปิฏฐะยมังสาเอาไว้ปลายก็จะสำรวจตรวนีเข้าหน่อยเขารู้ไหมจิตกุมีมังสาดีมังสามันสองมันยิมังสาคือความตีตองมันจะเังไงมันคือความฉลาดคือปัญญามันจะมาตามดูจิตของเราไปนะมันเป็นลักษณะอันเป็นอาการออกจากจิตเทานั้นเอง ถ้าพูดแล้วมันก็เป็นจิตพอใจมันก็เป็นจิตวิริยามันก็เป็นจิตการจิตตะมันก็เป็นจิตที่มังสมนก็เป็นมันก็เป็นจิตทารวมแล้วแต่ว่ามันแยกกันเป็นส่วนๆนั้นนี้ลักษณะขอใจพอใจใครวัตถุยืดหยุไม่รู้มันพอใจเนี่ยเพียนนำความพอใจเพี้ยนนั่นมันจิตยืดหยุ่นก็ไม่รู้เพียนตะลืดมี จิตตาะันเป็นจิตของเราหรืองป่าที่เป็นเป็นจิต ท, ท, ที่แท้จริงหรือปล่าตอนเราเรียนวิชาตอนกลางตอนเดือนอันรวมมันจะรวมเดือนในมหาลิขิจนว่าเห็นจริงกันทีมันเป็นเหตุผลเนื่องเหตนผลเดียวกันอย่างนี้การการปฏิบัติของเราจะค่อยถูกต้องขึค่อยจว่าปัญญาเปน็นตัอันนี้ด้วยรัธรรมแต่ว่า ธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาวานาไม่เกิดประโยชน์เลยมันไม่รู้จักแต่คนที่เกิดมีจิตอันนี้มันจะมีประจําอยู่ในใจของพวกปฏิบ่วัดเสมอ น, นั่งอยู่คนเดียวบนนี้ถึงแมนวันที่ทักจิดก็จิดอยู่แต่รู้อยู่แต่แ ย, ยิ่งในจยงนีมันตดอยูในวายความท่ว่าความดึเเ ก, ด ก, นน เ, กดเกิดัเ่เแก่จี้ไม่าก่ต่อ w i i t e e a a s n i o n t e n i o r but เจ้า้ตโตโันไรว่านิน ไปทำอะไรานมีพัฒนาทำมีพัฒนาบว่าพระพุเจ้าไม่เล่นด้ทำไพัฒนาเพราอถ้ามีเว่าใครจะทําอะไร้เาบพระพเจ้านไ้ทเเป็นตายอยู่ตางแก๊งกันก็ตายอยู่ต้นโพเห็นไหมเป็นตายอยู่ที่ที่ต้นไม้อื่นตรงนั้นก็เป็นต้นโพนไหมล่ะ มันไม่ผิดเนี่ยมันไิดโพ่ก็คือตัวพุธทธคือผู้รู้นั่นเองเอาาทางวาจันตา ย, ยืนต้นโพจริงๆก็ให้ไปได้แต่ว่านกตยอยู่ต้นโพเยอะคนตยอยู่ต้นเพเยอะอแต่ว่ามันอยู่นอกความรู้ความจริงก็เจะจัดวางไม่ใช่ต้นโพก็ได้ตรง น, นนะรีย มันกินโคโพอยู่มันตายอยู่ต้นโพใครจะเรียกว่าไอ้คนสนิดเหนื่อยมันตายอยู่ต้นโพไปได้คนที่ไม่รู้ซึ่งเอ้เอเอคนที่มันรู้ซึ่งเข้าไปตอนนั้นรู้จากต้นโพอย่างแท้จริงเป็นปรมาจคําที่ว่าพูดรู้ตน้นโพเนี่ยเป็นปรมาตาเป็นปรมาตาธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นงนันก็เราพยายามไปตายต้นโพกันก็ดีเลย นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้อันนั้นเราไม่ต้องเถียงแล้วตรงนั้นนะที่พระพุทธเจ้าตายกำลังทำกรรมฐ า, านในต้นโพอย่างนั้นยังค็ไม่ใช่ย า, ยาอันนั้นเราไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยเราหมายถึงปรมตจธรรมอันนั้นนะเรียกว่าตายอยู่ในความรู้ตามความเป็นจริงทุกหมดตรงนี้ด ชาติต้นโพสองอย่างเนยมาแย่งกันเถียงกันจนอุดรุนเรยิ่งเกิดกันไปใหญ่เนีเ่ยเลยไม่มีตัวโพเลยมันเป็นปรมัตรธรรมพูดถึงปรมัตรธรรมมันครอบหมดท่านจะนับตายหรือท่านจะนอนตายจังมันเยอนะนอะอันนี้มันเป็นคำที่คนดใจขึ้นมาเราคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนเห็นอย่างหนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเถียงตงัวนองไม่ต้องเถียง ที่พระพุทธเจ้าท่านนิพพันอยู่ตรงไหนนิพพานท่านแต่ว่ามันรับไม่มีเชื่อมอดอาการที่หมดท่านก็คือความรู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วจะเป็นประมตทธรรมเรื่องสมมุติเรื่องยิหมดนี่ก็เหมือนกัน อันต่ <intent>? ัหนึ่งมันิงเลยสมมติอันหนึ่งจิงเลยมุดชั่งนอย่างนึงอ่งกันเนี่คือคนพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่สมมติมันมีคนเนาย่งสมเดเราจงช้ารู้ดีว่ามีมุดกับสมมติหนมาล จะพูดง่ายๆอย่างเดียว่าบริพนยโอนีเกคอนมันเป็นเด็กวันนี้มันโตแล้วมันเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่ที่เจคอนมันทำไม ม, มันไม่โตถ้าเป็นคนเก่า เป็นคนเกา่าคือจะตอบใหเป็นคนใหม่เป็นคนเกา่าไม่ถูกพม่าได้พูดถูกปรถูกคนงสองคนถ่ามาเป็นคนเกา่าคนเก่าท้าไม้มันูกวันนั้นเนี่ย น, นั้นเป็นปัญหาที่จะองปริวัตนธรรมของเราไปอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันมีเลขรือมันมีตัวมันมีตัวมันตัมีเลขผู้เล็กกดดว่าคนตัวก็ได้เดี๋ยวเข้าไม่ยอมถ้าเราหูตั้งนานแล้วกดในมือไปไม่ได้ คนเร็กก็มการคนโตก็มีการนะมันจะไปในตำนอนนั้นเ น, ะนี่ยคนกุมงวดนะพอมันไปยึดในความเล็กความโตขอมันไปอย่างนั้นนะมันกระต้นไม้ต้นตนี้เขาปุ๊บนน้อยอย่างนี้นึ่งมันตูงกวนงเมตรนึ่เมื่อปีหลัง ม, มันมีเมตเดียวเนั้นปีที่สองมันมีนใจกนเมตรสิบเม จะเข้าใจว่าต้นเก่าหรือต้นใหม่ต้นเก่าวต้นเก่าทำไมมันโตแต่ว่าต้นใหม่ทาไมมันจะเกิดใหม่จากของเล็กถ้าพูดถึงรู้ก็จะรู้ทำแต่ความคิดมันถูกต้องต้นเด็ก็ไม่ใช่ต้นตัวไม่ต้นใหม่มัไม่ใต้นเก่าก็ไม่ใช มีคนเด็กก็ไม่ใช่คนตัวกว็ไม่ใช่นะ เปนรมาสิมีดิันเรือมาที่ยัี้อยานี้เียกวากปฏิบัติที่มีเนเมืม่อขีดจมูกสูงขึ้นไปก็มองเห็นสิ่งดียูคนอยู่ขางล่างนี้มองเส่สงตเวความเห็ น, น, นแตต่างกันไปแต่พูดไปต่างกันพูดง่ายอย่างวัก็ีน บริบูรณ์ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ก็ทำเหมือนก็ไม่ได้เลยเ้าจะตอบอะไรเนาะมันตอบนี่นะแกมันเหมนอนนนนี่นะั <c ười> คือตอบไปมันก็ไม่รู้จักใช่ไหมตอบไปมันก็ไม่รู้จักแล้วก็รู้เฉพาะที่อบ่ที่เดียว <c ười> คนคิดยังไงบ่ามาบ่ามาจะบวกตัวไหนบวชแก่ไม่บวชตัวไหนมันเป็นเหียดในคนเป็นเป็นเหตุนในคนด้วยความรู้สึกสิ่อย่างคือคนยังไงรี่อยูกางความผิดก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ทันว่าเป็นชีพที่ฟูโตเอาตอนเองเป็นปัญญาของตน ไม่เอาคนอื่นเป็นพยานมันดูจริงจางเป็นจริงอย่างนั้นตอนนี้ท่าไหลายเชื่อตนเองเชื่อตนเองย่งนีน้ไม่มีอะไรจะเสียหายต้งเราบา้าใช่ที่ต้องเราไม่วาจะจับอไรนั่นเราไม่รู้จับนี่วะกเพราะคนนั้นไม่รู้จับธํามะธรรมไม่ใช่การดูเพราะคนอื่นบอก ตัมมาติแท้จริงเนอะคนอื่นบอกก็บอก ใ, ในใในทางเดินสูงไปนะในความจริงเนี่ยนนะมันไม่รู้จักนะถ้าบุคคลเขาไปพบตัวนั้นมันก็รู้เฉพาะตัวเฉพาะตัวเองนะี้ะนั้นจะพุทธเจ้ากันจสอนจอานะอัคคตาลูตะถาอตา แต่ท้าจะเป็นใจผู้บอกเรื่องที่จะทําก็ทำท เ, เอาเองเป็นบราบนบระบวตหน้าอย่างนี้อาคนมาบวตทุนบวตเสร้เรื่องของเราหมดเทนี้นะเรื่องอาจารย์สวดเรื่องพระตัวชาหมดแค่นี้เรื่องของสงฆ์เก่งเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ ตอนนส้เนนี่เขาพูดมันลึกขึ้นเงมันซึ้นแต่บางคนยังฟังพูดไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ะชันมันเดี๋ยวมันจะไปลึกขึ้นอะไรก็ะชันมันจบมันจะไปในกลมเนียเป็นเดียวแต่คนไกจับไปอย่างนี้ในอ่านหนังสือหน้าบททำหน้ากันมาเคยไปอ่านเนมนี่ ก็ท่านในรู้จะเอาอะไรมาถนะ้าสมมติติ็นช้างจะมาตัวนอยากเอาคนตแจหวอดมาทำอยู่ไปถูกปากเหมือนปีนไปไปถูกขาเหมือนถูกที่ถูกหัวเหมือนพัดไปถูกขาไม่ใช่ไม่ใช่พัดเหมือนไม่กวอด น, นี่แล้วก็เป็นอย่าเนี้ย ยังแค้นกรกเลยแต่ว่าคือยังมาเห็นจับช่างตัวเดียวกันคนหนึ่งไปจับขาคนหนึ่งไปจับปากมันชักคนหนึ่งไปจับหัมันชักอย่างนี้เข้าวงพูดใเขาัง่มันช่างตัวเดียวกันเนี่ยแต่มันเถียงกันในรองัอย่างนี้น่าปฏิบัตินากัมันไม่รู้จักผิดรือถอีกว่าหนึ่งาวที่จิคนพูดอาจารย์ ทางทางดีนะถูกเป็นเราถูกหรือไม่ถูนะก็เปี่ยนแต่นอาจารย์นั B ่นอีกไปฟังควานอาจารย์นั้นฟวามเป็นสมาวัดกับความรู้ของเราไปพยายาประตัเนียรานี้ยาลลำบากว่าจะเอาไงเายังไม่ถูกดีที่สุดอาจารย์นั้นกับเราต้องไ ว่าร้านหนึงเรได้ยิเนเสียงอาจารย์หน่อาจารย์นั้นปากาศโประมาอาจารย์อย่างดีทีเีวยวเนอะแตาทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่านี้นัน่งฟังๆแต่คิดสงสรรัอยอ่าเราไม่ถูกผู้คิดไปเตรียนมาเตรียมตป็ดไหว <c oughs> ก็ไปฟังธรรมะนั่งฟังไปอาจารย์นั่นตัวให้รงมาอย่างดีแปกจาก อ, อ, อาจารย์นั้น เนี่ยก็แปลกจากเราด้วยเข้ากันบาแปลกกันบาก็ยิ่งเพิ่ความสงสัยด้วยนึเราสองอาจารย์สาอาจารย์ที่ตาไป ว, วุานายย่นใญ่เลยไปนั่นสมาธิไปเรื่องวุ่นนะนะถูกเนาะไปิดเนาะัพทนคุณวีนี่พออยนความสับท น, นไม่สงสัยเลมัานอาจารย์องนั้นดนนนนนีจริงวนะ่าอาจา์ญี่ปุ่นอาจารย์เป็ น, น แน่น <c oughs> อ้เพิ่มดีนี่นั่ <c oughs> นี่นะเราคุณคิกว่าพอละใช่ไหมมันไม่พอเลยยังไงยตแล้วยุโรยบนะย่อะไรปั้นเออปั้นะนนปั้ปนผีเจ้าไปราย ว, วันได้เลยคิดเลย <c oughs> ตรคงมไไีสิ่งสำคัญอยู่ไปไปอีก ไ, ไม่ได้จบเลยยังองค์งที่สองก็เอ า, เอาม า, ออเอาเพิ่มความมุ่งายองค์ที่สามก็เพิ่มความมุ่งองค์ที่สีก็มาเพิ่มความมุ่งคมายมีแต่เพิ่มความมุ่งหมายไม่มีหุดนะวาระนี้นก็เงิงกำหนดไม่เกินเท่าไหร่ถ้าคนรเมื่อเราพะพดเจ้ารับกรู้โปรสักขึ้ น, น, นกังจะเทน เอน้าเอางดีเนาะนี่ว่าพอแล้วอาจารย์นี่ไม่พออีกวะองค์่คจะสาคัญตัวเขาตัวนึงไปอีกแล้ ว, วก็ไปเลยมาเราเรื่องเรื่องจิตของเขาเรื่องปฏิบัติผมปฏิบัติเปนคนเดียวฟังเหนทราบพเจ้าเป็นอย่างนั้นองค์ที่สองเป็นอย่างนั้นองค์ที่สามองค์ที่ี่เป็นอย่างนั้นเพร า, าไปเรียนกรรมาฐานจะเรียนความรู้อย่างมีแต่ความรู้วายเป็นอย่างนั้น ไม่รู้ว่า้าพราะองค์จะเอาอย่างไรดีดูจึงบากว่าแต่พระเจองค์กัดหน่อยนะคุณถ้าคุณทำอย่างนั้นไม่จบการสงไัยแล้วให้คุณนั่นน่ยปล่อยอดีตที่ได้ทำโดยนี้ไม่ได้ทำโดยที่ผ่านมาแล้วปล่อยมาที่ผ ถ้าถูกก็ถูกมาแล้วถ้าผิดก็ผิดมาแล้วอยเอามาพิจรารณาเลยอย่างนี้อย่าไปวก่อนแต่ อ, อนาคตยังไม่มาถึงนั้นท่านก็อย่าไปคํานึงมนเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นนั้นอย่างอัน น, น, นี้มันจัดสิ่แบบความคิดอย่งนั้นน่ะอันนั้นกว่ากานวางออาปลไว้ให้ท่านมาที่นาอยู่ปัจจุบันท่านจะรู้ธรรมะนะ่ มันไม่รู้จักอาจารย์นวลไม่รู้จักอาจารย์มันไม่รู้จัก จ, กจิตของเรานี้เพราะจิตของเราหลงทีนี่ก็ที่ปัจจุบันนี้มันวางทั้งหมดแล้วดูเฉพาะในปัจจุบันนี้เห็นความเกิดจากของทังขันเห็นความมันเมเที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอหนึ่ตาเห็นความตามจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ที่นี้ไม่ติดของอนาคตไม่ติดของอดีตก็มีความรู้ชัดถึงม า, าอาดีตเนี่ย มันเป็นของเก่าแก่ไปแล้วอนาคตนีม่มันก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้เราพิจารณาทำในปัจจุบันนี้นก็คือพิจารณาอดีตเดียว่าปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตแล้วมันเดียวนี้เช่นว่าเราไม่หิวในเวลานี้ในปัจจุบันนี้ประกอบเป็นผลของอดีตเมื่อเดิทานอาหารมาตอนเช้าวนนี่ยนะอาหารันหล่อเลี้ยงมาเป็นผลให้เราไม่หิวเดียวนีนี่ ทันก็เลยไม่ห่วงอดีตว่อดีตจะมีอยู่เรียกทนี้คือผลของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้นมันก็อยู่ไออานาคตทำที่เกิดในอนาคตมันประดับในอนาคตไม่มาประดับอยู่มันม่ยังไม่มาถึงเลยท่านก็พิจนารณาในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้ว ถ้าเราจะทำความถ้าเราจะมีความดีล้วก็ช่างดีในปัจจุบันนี้ให้รู้เดียวนี้ชรางความดีไปอนาคตมันเป็นผลของมันอดีเมันมเป็นดีตุอนาคตเป็นผลเกิดจากปัจจุบันนี้เอาจากปัจจุบันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเรารู้จักอดีตรู้จัก อ, กอนาคตแล้วเราวางอดีตอนาคตแล้วล้วก็รู้จักอดีตอนาคตมันรวมอยู่ตรงนี้ที่นี้ทาก็ตั้ ง, จ ง, จงใจทาวาง อายุอายุการโน้การนี้ไอายุเห็นชัขึ้นมาเมื่อปัญญาของท่านตามธรรมชาตินี้ความสงสัยก็หมดไปท่านวางอนาคตอดีตจแล้วมันมารวมจุดเดียวเป็นเจ้าโทธรมโมไม่ต้องสะพายบาตไม่ต้องสะพายปดขึ้นเขาอยูเลยนี่ถ้าไป ท่านก็ไปธรรมดาไม่ไปด้วยความอยาก้ า, นะายูท่านก็อยู่ธรรมดาไม่อยู่ด้วยความอยากเห็นชั้นการปฏิบัติในคณะนั้นนีย่ยงประบุขสงสายไม่มีอะไรจะเพิ่มอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรจะถอนออกเดือนนีนะ้ท่านก็อยู่ด้วยความสงบเป็นห่วงอดีตอนาคต ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่แจ่ว่าอดีตที่มัน่านมาแล้วเนาะข้าเราตัววันนี้ปฏิบัติตัววันนี้เอาดีทารวมตรงนี้ได้มันก็กระจุกตนี้แต่ตรงนี้มันรวมกันตรงนี้อนาคตเราต้องจะรู้อดีตเราต้รู้เพราะว่ามันรวมกระจุกตรงนี้ถ้าเรามองไปหาอนาคตก็ยิ่งไม่รู้มองไปหาอดีตก็ยิ่งไม่รู้ ข้อความจริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นมันมาอยู่ที่ตรงนี้แค่นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธองค์กัตถุรู้ด้วยตนเองไม่มีครูนีอาจารย์เข้นมน่ะอาชีวกรรพระพุทธองค์รู้ใครเป็นครูเป็อาจารย์ของท่านเราไม่มีครูเรา ม, มีอาจารย์กัตถรู้ด้ยตนเอง ถ้าก็ไม kind of ่ช่นใจอย่างนี้แต่หนนะไม่เชื่อไลยอย่างนี้เขาพูดในคนนั่นมันไม่รู้จักจริักมันต้องมีครูมันมีอาจารย์ที่เรา่ายูใจเดวยวกันอยากทันไหมถ้าว่าอาจารย์ใก็ทันระความโลกซะนะกว่ะแต่แม่โกหกซะนะกว่า แค่ท่านบอกว่าไอ้ความโวดมันมีพยายหละมันด้วไอ้ความโลภมันมีพยานหละนี่าบอกแค่นั้นเ่ิใจมั น, นไม่ใช่ท่านบอกกันหมดแล้วก็ต้องเป็นปฏิบัติให้รู้อคนขรู้เรื่องความจริงของมันจริงๆเอวยัวเองรู้รวยตนเองเห็น้วยจนเอ ง, เอ ง, เองถ้าพจจะบงสรีขานนี้ว่า มื่สายทตรงทางนี้ให้กันเดินไปเถอะให้กันมาเดินช่วยลรตอนนั้นไปเป็นอาที่ของเราเดินไปปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่แท้จริงๆนันไม่มีใครบอกไป้ ม, ม, มันกัรจะพูดโดยงเพราการกระทำเรือเ่องตเองอข้อเหตุผลตรงนี้อดีตอยู่ตรงนี้นะครี้ปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้การดูมตรงนี้ก็มดเพื่อ ตากมัะ ม, มองเห็นธรรมะหมดทุกสายจะไป อ, อะไรก็มันหมดทุกสานนในเวลานั้นแต่คนเรียก ว, ว่าคนมันจะเกิดออยังไงไหมอะไรวะการรักอีกเป็นการมาเพียงหนึ่งไม่มีสิ่งจะมาเพิ่มอีกไม่มีสิ่งที่จะถอนออกตรงนั้น มันกรจุดตรงนั้นจุกิทธิตรงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าถาก็สอนในโรงตรงนั้นคนไม่ไม่ยอมกรจกตรงนั้นมันกจุกตรงนั้นเลยสงสัยเลยด้ว ย, ยกยามมา็ยิงามมายิงไปไปถามกับคนอย่นก็ยิงมีปัญหามากยิถามอยกเรือมีปัญหามากต้อุดจุดตรงนั้นอันนี้ก่อนเหมือนกันมิจฉุกใจต้องวางมืองจธรรมคือทำไปถึงไม่ถึงจุด มันก็เป็นอย่างนถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งถึงจุดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถึงจุดที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่ถึงจุดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ไม่รู้เรื่องรู้อยู่แต่มนุษย์ไม่รู้เรื่องตามความคิดดังความคิดมันต่างจริจริงมันมันมีสี่งมออกมันเอาเข้ามันถอนมันเติม ถ้าุณติดสูดได้มันก็เรียกว่าหมดเนี่ยเสขะบุคคลถ้าพูดตามธรรมเสียขัผู้จะต้องศึกษาอยู่ในเรื่องนี้พระเสียขัผู้ไม่ต้องศึกษาอยู่ในเรื่องทางไหนเหล่านี้มีพูดถึงเรื่องจิตจิตไปตื้นอันไหนเนี่ยหมดการศึกษาในเรื่องทางไหนเหล่านี้มันปานไปเลยตามเป็นจริงเลยทำไมไม่ต้องศึกษาเพราะวันไม่มีอะไรจะสงชัยเลยตรงนั้น ก็เป็นพับพูดตามวาระิตข อ, องคนละกเิเลท่านก็บอกไปว่าเป็นเจ้าผู้คลผู้ที่ต้องศึกษาตั้งแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงเมื่อศึกษาไปแล้วถึงที่สุดมันเนี่ยเป็นอาเซพะไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะว่ามันหมดหมดทิ้งที่ยึดต้องศึกษาหมดเนี่ยความชงใสแต่หมดเนี่ยความจะ เ, เพิ่มเข้าไหร อพจารา์ที่จะออกอีกก็ไม่มีอย่างนั้นตัวอยู่ในความชุขให้ดีในชั่วังนั้นก็ช่างมันเถอปรากฏได้แม่มันมั่นอยู่เด่ยนนั้นที่นี่ช่างมาพูดถึงไอ้จิตมันว่ายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่องเนีลยในจิตกินมันจิตมันว่างทำไมพ้นไปเดินไปได้คอข้อมันว่างหมดแล้วแต่จิตมันว่างทำไมพงนจะกินข้าวได้เย เพราะหมาควาอยากกินข้าวมันก็ไมมีมันว่างหมดแล้วเรื่อยๆว่างเลยหมดเลยเรื่องนี้คืประโยชน์เลยจริงนี่นี่ยอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจไม่ศึกษาเ <c oughs> พราะไม่เข้าใจในการว่างคือคือผู้ที่เรียนพูดก็พูดหาอะไรที่มาที่มาพูดตรงนั้นให้มันมีความรู้สึกขึ้นให้คนเข้าใจขึ้นมาทั้งฐานที่เราเกิดมานี่นะ ที่เราสะสมมาตั้งแต่น้อยเกิด ม, มาถึงวันนี้สะสมอะไรว้ท่านพูดตากบทจริงๆแต่าอันนี้ไม่ใช่เรามันนั้นไม่ใช่ของเรานนทาไมแต่พูดแบบนั้ไม่มีคํำอื่นที่จะดีกว่านี้ท่านเพงพูดคำนี้พูดคำ น, นี้กับคนจะรู้จะมีปัญญาแต่มารูเรีออยนยากจะต้องดีไปเรืมอที่นี่คนจะคิด่ิอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเรานี่ brasile, มันกรทิ้มแล้วแขงนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราก็ะทิ้มเนี่ยมันก็เถียมออกมามันก็เถียมออกมาโดยที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นความเป็นจริงท่านทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านอันนี้มาใก้ตัวของเราไม่ใช่ว่าท่านจะให้เราค่าตรงนี้ให้ตรงนี้ตายไปอนั้นไม่ใช่ของเราเพื่อว่าท่านจะทิ้งถ้าไนวางถ้าไนวา สมมุติมีแล้วดีมุติมันก็มีแล้วท่านก็ยังเอาสมมติมาใช้กันอมันเป็นของใช้ถ้าพูดถึงเรื่องดีมุติจริงๆแล้วไม่ได้ไใช้จะพอ่อถูกไปสมมุติหนายกรหนายขอนายกรหนายงรหรืออะไรต่างๆต่น ง, งมีชื่อเป็นสมมุติเพื่อความ ส, มสมะดวกแก่ภาษาที่วมุติทั้งหลายพูดกัน มันก็ต้องมีอยู่เป็นประจำแต่ท่านวม่อยากให้ไปติดตรงนั้นอย่ากไปยึดตรงนั้นแต่นั่นเป็นของว่างมันพูดยากตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นต้องอาสัยการปฏิบัติเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นได้จะไปรู้ไปเรียนไปถามไปให้มันมเข้าใจตามความจริงของมันที่ต้องไปปฏิบัติในรู้เองเห็นเองโอปอลิโกน้อมเข้ามาอย่าโน้มบ อ, อกแต่ว่ามันมาพูดประยุึดในปัจจุบันน ที่คนไม่ได้คอยรู้ธรรมะจริงๆแล้วเถียงเถียงในใจต่ขอเขอ้าแวกไอ้คนประเภทหนึน่งเขาคิดไปอย่างหนึง่งคนมีความรู้อย่างหนึ่งเขาคิดไปอย่างหนึ่งเป็นอย่า ง, งเห็นได้แะ่วันนะั้นกกที่ปริญญาเขาถือาเถียงอยู่ที่บ้านจะไปจัดนั้นเพราะว่า ผมบอกว่าคื อ, อคนเดี๋ยวนี้มันกลายจากธรรมะเดี๋ยวผมบูกว่าจริงไม่รู้จักผมพูดไปที่เฉยบอกว่าให้พ่อครับรำแกนบอกคนไทยเนี่ยไปสนใจไม่ก็ได้ศึกษาเนืหาเราแทงไม่รู้อ่ะทำไมถึงหลายคไม่รู้พ่อควรเรียนไปทางอื่น เดีภาคปรดังกันขึ้นโรงเรียนทางนี้ทางของรู้ทางนี้แอ้รู้ไม่ว่าไอ้คนคิดตรงไงนที่ไม่รู้จักมันโง่ตรงนั้นเองไอคนอื่นอาจจะมาก็ยังโง่อยู่เจไไม่ที่จังยังโงเพราะว่าคนไทยทุวันนี้การบวชเรียนเขียนกานนี่น้อยลงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รการง า, น ไ, ราร น, น, นไม่รูกมันเจริญขึ้นผมไม่รู้บวชกฎตกะกรันอย่างน้อยสองทีภญษาห้าภาษา แค่ น, น, บ น, นีบวดเจ็บวันตัวมีเที่ยงวันตัมีบวดตอนเช้าสึกตอนเย็นตัมีนมี่มันจะหมดไปอย่างนี้เบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าบวดอย่างท่านอย่างน้อยต่นาภาษาสามภาษาสี่ภนะนะ่านี้เพราลูกนี่ต้มงไเดินต้องหมดดบ้านดท้องนี่มีใทำงิห้กินเลยไม่ทันต่เราเลตอวอันนั้นมันเป็นความคิดของใคเดือน เศเดือนมันอยู่จ a อยู่ในแผนดินมันกินดินเป็นอาหารมันตั้งแต่ดินเนี่ยกินแน่กินไปมันกลัวดินจะหมดมันทายมันต้อเอาขึ้นบนที่สักก่อนกัวดินจะหมดอย่างนั้น <c oughs> อันนั้นความคิดของใสษเดือนไอ <c oughs> ้คนที่ยิ้หา โกนี้มันจะไม่จะเดินมันจะจบไปนั่นเป็นคนคนคิดของใตเดือดแต่ไม่เป็นใช้เรือนนอกแต่มันค่ายกันกับไตเรือนมันคิดแดีวก่ผมพูดไปถึงว่านกจกรุมอย่าันมันอยู่ดินเดินช้าๆมันัวดินมันจะรุนมลงไปถึงล่างมันมีคนมาแยกระวังอยู่เสออนั้นจิ๊ เป็นความคิด ท, ที่ว่าสัดมันโง่ที่สุดมันจะคิดอย่างนั้นของมันอมได้เล่าไปไ ด, ได้ไหนครับงานคือมันยังไม่รู้เป็นยวกับ ง, งูกับเต่าไฟไหม้ป่ามาเต่ามันจะเกลี้ยกะต า, ายไปหนีไฟไปเจองูมันขวด อ, อย้่ดดื่มตา ไฟมันยิงยุกลานอนนันเรื่อยๆกลัวสงสารงูสงสารมันทำไมก็ขามไม่มีให้พอไฟจะไหม้มันตายไปสงสารมันจะได้วนจะช่วยงูนะงเนี่ยงูกระชึกพอดีไฟไฟมันไห ม, ไ ม, ไมไ้แล้วมาใกล้ๆแล้วงูขี้ออกขิ้งจ่าอะไรอยู่ตรงนั้นอี่งยุบไฟไปทันไปเลยไม่่าตายเลย <laughs> เสีย่ยมีเขาฟังอันนี้ก็คือ ค, อความโง่ของเต่าพราะเขารู้สึกว่ามีขามันเดินได้ถ้าไม่มีขาเดินไปได้บบบ น, นี้ไปเออไปพบกับงูเขา้างูนี่ขาเต่าเข้าใจทิ่ตัวนี้ออกไปจะไม่นตายตัวเขาจะตายบบบนี้เรามาใต้เรามีขาเรายังวิ่งไปไม่ได้งูมันใจเย็นไปปลาตะเพียนอีนุไป ม, มีสัญลักแก่แก่เพชรของคนที่มีความรู้สูงเราก็ไม่บอกว่าไทายโง่แตมา็โง่ไหมจ๊ะจริงๆแตามาไม่รู้โง่ตรนะ น, นั้นมันนัไปพูดไปให้งเชิงดูถูกก็เรียนปริญญาโตบริญญาีกมาแล้วถวายของอะไรนก็เรีว่ า, ว า, านทยมไปจะรู้อสัระชัอนได้ก็ไ รืองมายเราเรื่องนี้ก็ฟันอามเรื่องพขาฟังไปเแี่ยวจะมาถามดีด้วยตอนที่สองฉันฟอนจนพูดคือยังไม่รู้นะมันยังไม่รู้ว่ารัาเป็นไงเขาเคยคิดค่ามันก็คุยมันเป็นหมือนไ้ความไปจริงพระเนี่ยท่านเพิ่ กินข้าวทำมาพูดด้วยมันทางานมากเนไปมันจะไม่ไปจะดีแต่เมื่อเราไปบอกว่าฉันเร็ก่อนจะพูดเทอยไปน่ลาองปากอันเดียวเที่ยวข้าวมันพูดจมันละมากเลยทอยปนันเจนนนี่เปัด็จแล้วหนต่อมาถาถามง่านิดนึงจริจรทีา อาจายต่จจอ ก, การอะไรนะนันมีรูรค้ความการที่เขาเหน่อเอามากันอยู่เอาสิแต่ว่าก็เจะต้องใช้มันมีอะไรจะใช้มีอะไรมันจะมาของก็ไนีมากอะไรก็ไเออยากไปได้หนละั <laughs> บปั๊บมองดูนิกาตืล้มลาแล้วทำงานื่น